อารมณ์อ่อดูกายดูใจนะต่อเ น, นื่อนงะทำความรู้สึกตัวนะัางทีก็มีการมีความคิดมันเกิดขึ้นไปอดีตไปเที่ยวนาคตก็ให้กลับมารู้สึกตัว ถ้ากลับมาแล้วก็มันมีที่พึ่งที่พึ่งอยู่ที่ใจถ้าไม่มีสติไม่มีโอกาสรู้สึกตัว mm hmm. ก็ไปเที่ยวหล่นทางไปดูกายแอดเป็นกายก็พิษทมพิษป่าจ่าทำพิษแล้วก็ จิตใจเรสร้างเรื่องมาให้ความทุกข์มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเป็นสารพัดเรื่องแต่ว่าเราก็ที่เขนะมีพื้นฐานคือการรักษาสิงโดยจัดธรรมแล้วก็เราก็ปฏิบัติลมือเป็นภาวนา ทำความรู้สึกตัวได้60นาทีบันทีก็ได้พบสิ่งที่เขาทำปิดผ้าถ้าเราไม่มีสติไม่รู้สึกตัวแล้วก็สร้างเดือนว่ามันกึ่มใจควร ตัวเองแล้วก็เป็นงามวงอนาคตอดีพก็าำอย่างนี้ก็เลยชะอนาคตก็เป็นอย่างนี้อย่างนั้นก็สร้างความงามวงด้วยตรงเองนหรือว่าเราทำผิดเพราะว่ามีคนนี้คนนั้นแปลว่าดาฉันก็เลย มันมีความกรอบแก้ความคิดมันเลื่อนอดีตเกิดขึ้นแต่ว่าเราก็สร้างาความกรอบมากขึ้นก็ได้เมื่อเราก็ทําปิดธาตุแล้วความคิดมันเกิดขึ้นก็ ด่าตัวเองว่าตัวเองนั่นไม่มีค่าพอเราก็ไม่ดีไม่ดีก็เราบอกไปเรื่อยๆในใจก็สร้างความทุกข์ก็มากนิ่งขึ้นแต่แว่าคนที่มีสติมีความปัญญาฉลาดแล้วก็ เราความมาใช้ความคิดที่เรื่องอดีตเกิดขึ้นว่าเป็นผิดพลาดเป็นอย่างนี้อย่างนั้นเราก็รู้ว่าอ๋อทำอย่างนี้ต่อไปจะได้สําเร็จมั น, ะนเป็นข้อมูลที่ดีนะเราท่าเคยทําเป็นอย่างนี้อย่างนั้นผิดพล า, าดก็ดีเพราะเราก็มันเป็น เอามาใช้ได้เพื่อประโยชน์ต่อไปชีวิตของเราเองอันนี้ก็เป็นไม่ใช่เป็นทาตุขมความคิดเป็นเจ้าของความคิดได้เจ้าของของความคิดของตัวเองได้แล้วก็เราก็เลือกสิ่งที่ดีงามให้สร้างความสุข แล้วก็ไม่จกักความทุกข์ไปเรื่อยๆก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ดีคนที่มีสติก็มีค่ามากเรื่องอดีตน า, าครามมาใช้ไม่ใช่เป็นเรื่องความคิดไม่ดีหรอกความคิดก็ดีถ้าเราใช้เป็น อารมณ์ต่างๆก็ดีเราถ้าเราใช้ใชเป็นถ้าใช่ไม่เป็ น, นก็เป็นอคติสมมันทำให้เกิดความทุกข์โดยตรงเองนะก็พระุณเจ้า ก, ก็พิจารณาเรียบร้อยครับท่าไป